เริ่มต้นยังไงดีปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือลำดับการศึกษาก่อนหลังซึ่งเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์อันใดเป็นเพียงความเห็นที่นำมาเล่าให้ฟังเท่านั้นในหลักธรรมเปรียบเป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นง่ายนั้นเปรียบได้หลายอย่างในที่นี้จะเปรียบเหมือนตัวคนเรานี่เอง คือในขณะที่เราต้องสมัครเข้าทํางานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองสมมุติว่าเราจะสมัครเป็นพนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เราก็จะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่กําลังต้องการเร่งด่วนคือรู้ว่าจะใช้นิ้วยังไงพิมพ์10บนิ้วยังไงไม่ให้ผิดพลาดแล้วก็พิมพ์ได้เร็วนั่งยังไงเปิดเครื่องยังไงต้องจํารหัสอะไรบ้างใช้สายตาให้ว่องไวยังไง พิมช้าเอ อ, อ่าเดี๋ยวก็ตกงานตรงนี้เปลี่ยนเหมือนหลักธรรมให ญ, ใหญ่คือสิ่งที่เราต้องเอามาใช้ก่อนเพื่อลดทอนทุกใจอันใหญ่และหนักที่กำลังทับถมเราอยู่จนลุกไม่ขึ้นให้มันเลื่อนออกไปซะก่อนจิตใจนัวเนียอยู่กับสิ่งใดให้ทุกนักธรรมะบอกให้วางวางเลยไม่ต้องม้วนไปม้วนมาไม่ต้องเผื่อกันเหนียว บอกให้ตัดตัดเลยตัดได้มากได้น้อยก็เอาเถอะตัดไปตัดไปตัดไปเรื่อยๆการทำอย่างนี้ตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าหักด้ามพระด้วยเข่าก็ได้ทุกใจหนักต้องผ่าตัดจมัวปลาเล้าปละโลมประโคบประงมด้วยสมุนไพรช้าๆเห็นทีจะคลางเหลือง แต่ก็เหมาะกับคนรอบความเจ็บชอบผ่าตัดทุกออกจากใจสดๆเปรียบอีกอย่างก็เหมือนกับเวลาหิวจัดเห็นอะไรเป็นเขียวๆแดง ๆ, ดงๆใกล้จะหน้ามืดแล้วก็ควรจะตักข้าวราดแกงที่มันสั่งปุ๊บตักราดแล้วก็กินได้เลยตักทาใหญ่ๆที่กล่าวถึงนี้ก็คือ คำสอนหลักของหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านเน้นไปเน้นมาอยู่ไม่กี่เรื่องนี่เองคืออนัตตาความไม่ใช่ตัวตนจิตว่างคือทำใจให้ว่างจากกิเลสที่เข้ามาอย่าเดินตามมันไปแม้ว่ามันจะมาตามการปล่อยวางความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงมันเป็นเช่นนั้นเอง เมื่อคิดถึงข้อธรรมเหล่านี้กับทุกเรื่องที่เข้ามาในใจทุกวันมันจะเกิดการเรียนรู้ที่จะต่อสู้กันใหญ่ในใจของเราการปล่อยวางปากพูดแต่ใจไม่วางวางไม่ลงวางไม่ได้วางแล้วยังจับไว้ไม่ปล่อยกว่าจะทั้งปล่อยทั้งวางได้ต้องสู้กันหนักเพราะเราติดอยู่กับอัตตาตัวตนของเรานั่นเองถ้าเราเข้าข้างธรรม ไม่ช้าเราจะชนะวางเลยวางลงวางได้หรือไม่ได้เชียร์ตัวเองไว้ก่อนถ้าหากเข้าข้างตัวเองเราจะแพ้เราจะว่าจริงด้วยวางได้ไงอ่ะวางไม่ได้หรอกยอมแพ้เสียหน้าไม่เอาไม่วางถึงตรงนี้บางท่านอาจจะนึกหมันไส้ว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงของมันต้องฝึกกันยาวนาน จะมาพูดว่าบอกให้ปล่อยก็ปล่อยเลยเรียกว่าพูดพลอยๆหรืออวดดีขอเรียนว่าไม่ใช่เช่นนั้นแต่เป็นกลวิธีที่จะนำตัวเองไปในขณะที่ปฏิบัติซึ่งผลน่าจะมากน้อยก็แล้วแต่บุคคลหากได้สอบถามถึงการปฏิบัติกับหลายคนเมื่อนำไปทำระยะหนึ่งแล้วก็ได้คำตอบว่ารู้สึกเย็นลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างดีที่ตัวเอง ซึ่งอันนี้จะทำให้คนทำเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจที่จะทำต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปได้เข้าใจตนเองได้เกิดความสงบเย็นขึ้นในใจหลังจากนั้นจึงค่อย ห, หาโอกาสศึกษาธรรมในรายละเอียดเปรียบเหมือนกับพนัก ง, งานคอมพิวเตอร์คนนั้นเมื่อได้งานมั่นคงแล้วก็มีเวลาสนใจตัวเองในเรื่องอื่นๆเช่นศึกษาตรีละว่า มือนั้นใช้พิมพ์ประกอบด้วยนิ้วมือผิวหนังกระดูกเอ็นเส้นเลือดเม็ดเลือดแดงประกอบกันยังไงหรือเปียบเหมือนคนหิวเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วจึงไปศึกษาว่าแกงเขียวหวานที่กินไปเมื่อครู่นี้ประกอบด้วยอะไรกะทิมะเขือไก่และก็ศึกษาลงไปในแต่ละตัวว่ามะเขือปลูกยังไงไก่เลี้ยงยังไงมาจนปรุงยังไงในที่สุดมาเป็นแกงอยู่ในชาม ทำมาที่ละเอียดก็เป็นเช่นเดียวกันซ้อนลงไปถึงจิตว่ามีอากุศลจิต12อย่างมหากุศลจิต8หรือเจตสิก ค, คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตมี52ประเภทใดๆบ้างละเอียดลงไปมากมายลึกลงไปถึง DNA ต่อไปถึงวิญญาณทะลุไปถึงการเกิดใหม่ลอยไปถึงขั้นเทวดาและผ่านรกให้ดู แต่คนที่ไม่ได้อยู่กลางพายุปัญหาก็เรียนรู้ได้เป็นบทเรียนที่เป็นลำดับขั้นตอนมีอาจารย์สอนใช้เวลา ย, ยาวนานเป็นปีๆในการเล่าเรียนบางคนแก่แล้วว่างตลอดจึงไปเรียนหลายรอบใช้เวลามาแล้ว18ปีก็มีคนที่น้ำตาไหลพรากเดินมาหยุดฟังบรรยายธรรมเช่นนี้ ก็จะยังเอาไปใช้อะไรไม่ได้ในวันนั้นเหมือนคนไม่เคยเรียนหนังสือแล้วมาเจอคนบอกว่าน้ำในแก้วนี้ประกอบด้วยไฮโดรเจน2ส่วนจับตัวกับออกซิเจนหนึ่งส่วนก็ย่อมไม่เข้าใจเป็นธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าน้ำแก้วนี้กินได้ก็ยกขึ้นกินเลยได้ประโยชน์ตรงกับปัญหาสำหรับคนที่ชีวิตไม่มีปัญหาสนใจธรรมะ มีเวลาศึกษายาวนานก็ศึกษาทำละเอียดก่อนก็ได้หลักทำใหญ่ก็จะอยู่ในเนื้อหาของทำละเอียดนี่เองเหมือนต้นไม้ต้นนึงจะยืนมองดูลำต้นกิ่งใบผลดอกก่อนก็ได้เดี๋ยวจะดูเซลล์ท่อน้ำเลี้ยงข้างในแล้วก็ค่อยดูแก่นกระพี่เปลือกก็าย่อมเห็นลำต้นอยู่ตรงนั้นด้วยในตัวการลำดับการศึกษาธรรมะจึงอยู่ที่ความจาเป็นเร่งด่วนของจิตใจ ว่ารุ่มร้อนหรือสงบเย็นเพียงใดถ้าไฟติดลุกร้อนก็ต้องเอาขวานจามตัดการลุกไล่แล้วโยนลงแม่น้ำโดยเร็วเพื่อดับไฟซะก่อนท่านจึงว่าเรียนธรรมะไว้ก่อนก็จะดีคล้ายมีภูมิต้านทานเมื่อเกิดเหตุเพศภัยขึ้นก็พร้อมจะรับมืออยู่แล้วเหมือนปลูกข้าวไว้รอเมื่อหิวก็เอาไปหุงกินได้แต่ถ้าไม่สนใจพอหิวแล้วค่อยมาพรวนดินหวานข้าวมันก็ไม่ทันการ อันนี้ต้องเป็นลมตายจบตอนนี้นะคะตอนจบเด็กยิิงขวัญก็กำลังปลูกข้าวในนาอยู่มีควายเขายาวมีนกเกาะ อ, อยู่ที่ปลายเขาตัวหนึ่งนะคะควายก็ยิ้มแล้วกินข้าวที่เมื่อกี้ขวัญปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็ยิม้มควายตัวนี้ก็ใส่เหล็กดัดฟันด้วย มองเรื่องอื่นแล้วเห็นว่าเป็นธรรมะพรชรีวางหนังสือธรรมะลงบนตักของชิดใจซึ่งเปิดดูอย่างไม่ค่อยเต็มใจแต่รู้ว่าพรชรีชอบอ่านหนังสือธรรมะแต่เธอไม่สนใจชิดใจรู้สึกว่าไม่ชอบศาสนาเพราะชิดใจได้รับแต่ซองกรถินซองผ้ปาป่าทำให้เธอรู้สึกว่า าศาสนามีแต่การเรีอยอะไรให้เธอมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นไหนจะซื้อของตักบาดวันสำคัญทางาศาสนาไหนจะซื้อของถวายสังฆทานวันเกิดอะไรอื่นอีกจิปาทะเมื่อพัชรีชวนไปวัดชิดใจเดินก้มหน้ามองพื้นไม่ไกลกว่ 39. า 3-9 ก้าวเพราะเม่ก่อนชิดใจไปวัดเห็นพระยืนปรับจีวร อ, อยู่กลางลานมองผ่านบนกุฏิเห็นพระเปลือยท่อนบนนั่งดูททัศ ล้วนแต่เป็นภาพที่ชิดใจไม่คิดว่าสมควรเมื่อเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อก็มีตู้ประดับมุกเข้าของต่างๆมากมายมีมากกว่าบ้านชิดใจอีกชิดใจจึงเข้าใจว่า น, นี่คือศาสนาเธอไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าหาพระเชลีชี้ให้ชิดใจอ่านข้อความบนปกหนังสือชื่อว่าภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมของท่านพุทธทาส มีข้อความอยู่ข้างล่างว่ากราบไหว้พระพุทธอยากให้ไปสะดุดที่พระทองคากราบไหว้พระธรรมอย่าให้ไปขย่ำเอาใบลานกราบไหว้พระสงฆ์อย่าให้ไปถูกเอาลูกชาวบ้านชิดใจรู้สึกถูกอกถูกใจขึ้นมาทันทีเหมือนได้พบกับสิ่งที่เป็นคำตอบต่อคคำถามของเธอมาตลอดพัชรียิ้มให้พางเล่าว่า ธำมะจริงๆนั้นนะ่ะนะเป็นเนื้อหาใจความคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราปฏิบัติแล้วอ่ะจะได้พ้นทุกข์ใจเราปฏิบัติเองเราก็ได้ผลเองเธอไม่ต้องไปสนใจส่วนประกอบอื่นๆก็ได้ไออย่างอื่นนะมันเป็นพิธีกรรมพิธีการที่มันมาจากวัตถุประสงค์ต่างๆกันใครชอบใครสนใจก็ต้องไปทางนั้นแหละบางคนก็ชอบทาบุญวัตถุก็เรียอะไรเงินสร้างน่นสร้างนี่ บางคนชอบประเพณีก็ไปเวียนเทียนไปสังฆทานส่วนเรื่องพระสงฆ์นั้นะ่ะก็มีสองอย่างคนที่บวชแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติมากยังไม่ได้ศึกษามากก็ยังเป็นปูทุชนเหมือนเรานี่เองท่านหลวงพรเหลืองเขาเรียกว่าสมมุติสงฆ์ส่วนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ด, ดีมีคุณธรรมมากท่านเป็นอริยะสงฆ์ อริยสงฆ์จึงเป็นองค์หนึ่งในพระรัตนตรัยที่เราบูชาส่วนสมุทิสงฆ์ยังไม่ได้เป็นองค์หนึ่งในพระรัตนตรัยที่เราบูชาเป็นเพียงผู้ศึกษาธรรมเท่านั้นพระดีๆนะมีอยู่มากมีความสำรวมมากมีความประพฤติ ด, ดีมากแต่บางทีชิดใจอาจจะยังไม่ได้พบก็อย่าไป น, นึกว่ามันไม่มีทาให้เสียศรัทธาไป ต้นไม้อ่ะนะจะมีแต่แก่นอย่างเดียวอ่ะก็ไม่ได้มันก็ต้องมีเปลือกมีกะพี้มีใบใหม่ใบเก่าใบเหลืองมีดอกใหม่ดอกโรยมีทุกอย่างนั่นแหละสุดแต่ใครจะเลือกเป็นส่วนไหนเธอก็เลือกเอาธรรมะมาปฏิบัติซะเถอะอย่าให้บางอย่างอ่ะที่แม้มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็มีอยู่นั้นอ่ะมาทำลายโอกาสที่เธอจะได้มีธรรมะในใจ สิ่งที่เธอติดข้องอยู่นั้นไม่ใช่เนื้อหาของศาสนาพระธรรมต่างหากที่เป็นสิ่งสาคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็จบตอนนี้นะคะลูกประกอบก็เป็นเด็กหญิงขวัญกำลังแหวกม่านอยู่นะคะข้างหลังม่านก็มีพระพุทธรูปค่ะก็ะคือเราต้องเปิดไปถึงจะเห็นนะ น, นะคะ การพยายามตีความเข้าข้างตนเองธรรมะสอนเพื่อแก้ทุกใจแล้วก็เป็นไปนในทางที่ดีเสมอแต่ด้วยความรักตัวเห็นแก่ตัวอันเป็นธรรมชาติของคนเราเนี่ยจึงพยายามฉลาดพยายามตีความหมายให้สนองความต้องการของตนเองอย่างในบางครั้งที่เราเรี่ยกกันว่า เลี่ยงบาลีตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเมื่อคนเราพยายามตีความเบี่ยงเบนให้ผิดเพี้ยนไปเขาก็ทำในสิ่งที่เขาตัดสินว่าเขาแปลถูกส่งผลให้การกระทำของเขานะนะัน่ะผิดไปด้วยเท่ากับเป็นการทำกรรมใหม่ที่ผิดสร้างผลบาปให้ไปรอตอนเองอยู่ในวันข้างหน้าเนื่องจากไม่ว่าเราจะทาอะไรก็เรียกว่าเป็นการสร้างกรรมไว ส่วนทำดีก็คือสร้างกรรมดีส่วนกรรมชั่วก็คือสร้างกรรมชั่วเมื่อสร้างแล้วย่อมมีผลเสมอก็มีผลดีและผลชั่วตามการสร้างวันใดวันหนึ่งผลย่อมปรากฏตามการกระทำนี้เกรียงไกรได้เรียนรู้ว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นองค์ประกอบของธาตุและทุกๆเรื่องบนโลกนี้ในที่สุดก็คือความว่างเปล่าเขาจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็จะทำร้ายใครก็ได้ที่เขาไม่ชอบเพราะในที่สุดแล้วก็ว่างเปล่าเขาเอ่ยให้มารีฟังมารีจริงอธิบายว่านั่นเป็นเพราะเรารักตัวเองเราสนองความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ ถ้าเราไม่ชอบใครถ้าได้ทำร้ายเขาโดยที่ไม่มีความผิดก็จะรู้สึกว่าเป็นทางออกที่ดีที่ได้ทำด้วยแล้วก็ไม่ผิดด้วยแต่ธรรมะสอนให้เราเป็นคนดีการทำร้ายคนอื่นเป็นสิ่งที่ผิดเราจึงรู้ว่าคุณแปลผิดความว่างจึงไม่ได้แปลว่าให้คุณทำร้ายใครก็ได้ในทางกลับกันคุณลองคิดสิว่าโอ้ทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าถ้าอย่างนั้นคนอื่นก็มาทาร้ายเราได้ตลอดเวลาสิ ฟังแล้วน่ากลัวไหมคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยใช่ไหมเกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาละสิอยากจะแปลข้อนี้ให้ถูกไม่ใช่แปลแบบนี้คนอื่นก็กลัวเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นอย่าแปละอะไรเพื่อสนองใจเราฝ่ายเดียวอีกอย่างหนึง่งจุดะสมของการเห็นเรื่องความว่างของทุกสิ่งเนี่ยก็เพื่อถอนความยึดติดในใจของเราเให้คลายลง เป็นความรู้ในโลกของธรรมะแต่ในโลกของความเป็นจริงเราก็ยังอยู่ในกฎของสังคมที่มีกฎหมายไว้คุ้มครองเพื่อให้คนเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบถ้าเราไปทำร้ายใครเราก็ต้องติดคุกจะมาอ้างว่าโลกว่างไม่ต้องติดคุกนั้นน่ะไม่ได้คนละเรื่องกันก็จบตอนนี้นะคะรูปการ์ตูนก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญกาลังถือไม้กระบองตั้งท่าจะตีไขก็ไม่รู้ ศีลอยู่กับใจของตัวเองในการปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนการย่ําเท้าทีละก้าวจากพระบรมรูปทรงมา้าเดินไปตามถนนราชดำเนินมันจะตรงไปเรื่อยๆแม้จะเฉียงนิดหน่อยตรงสะพานผ่านฟ้าแล้วก็ตรงไปอีกจนถึงสนามหลวงความหมายก็คือเดินให้ตรงเดินไม่หยุดแม้จะเหนื่อยแล้วก็จะถึงที่หมาย แต่ความรักตัวเองทําให้บางคนเถียงว่าเดี๋ยวขวาไปวิสุทธิกษัตริย์ออกบางลําพูก็ไปสนามหลวงได้ก็ไปเถอเะแต่บางทีมก็ไม่ถึงหรอกมัวแต่กินขนมอยู่บางลําพูนั่นแหละฉะนั้นจึงไม่เถียงไม่ต้องอธิบายกันมากว่านั่นทําได้นี่ทําไม่ได้มีข้อแม้เงื่อนไขามากมายแล้วกับว่าจะทําให้คนอื่นที่แท้ก็จะทําให้กับตัวเอง ก็ทำให้ตัวเองน้อยมัวโยกโยผัดผ่อนจะไปหวังได้อะไรเหมือนรัตตยานารีหล่อนชอบกินเหล้านักแต่ก็อยากถือศีลก็เลยให้เหตุผลว่ากินแล้วไม่เมาไม่ได้ไปตีหัวใครเพราะฉะนั้นกินได้ไปวัดก็ขอศีลพระใหม่การขอศีลพระเป็นพิธีกรรมความจริงขอกับพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้หรือเพียงตั้งใจเองว่าจะถือศีล เท่านั้นก็ได้แล้วที่สำคัญอยู่ที่ปฏิบัติตามศีลถ้าขอแล้วเจ็ดวัดแต่ไม่ได้ปฏิบัติสักข้อก็ยังนับว่าไม่มีศีลอยู่นั่นเองหลวงพ่อชาเล่าไว้ในเรื่องกุญแจภาวนาตอนหนึ่งว่ามีพระรูปหนึ่งบอกว่าเป็นนักปฏิบัติเมื่อมาขออยู่กับอาตมาถามถึงระเบียบปฏิบัติจึงอธิบายให้ฟังว่า เมื่อมาอยู่กับผมจะสะสมเงินทองสิ่งของไม่ได้ผมถือตามวินยัยท่านพูดว่าท่านปฏิบัติไม่ยึดไม่หมายอาตมาบอกว่าผมไม่ทราบกับท่านท่านเลยถามว่าถ้าผมจะใช้เงินทองแต่ไม่ยึดไม่หมายจะได้ไหมอาตมาตอบว่าได้ถ้าท่านเอาเกลือมากินดูแล้วไม่เค็มก็ใช้ได้ ท่านจะพูดเอาเฉยๆเพราะท่านขี้เกียจ ร, รักษาของจุกๆจิกๆนี่มันยากเมื่อเอาเกลือมากินท่านไม่เค็มแล้วผมจึงจะเชื่อถ้ามันไม่เค็มจะไม่ให้กินสักกะทอคือเข่งเล็กอะ น, นะคะลองดูมันจะไม่เค็มจริงหรือเรื่องไม่ยึดไม่หมายนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคาดคะเนเอาไม่ใช่ถ้าท่านพูดอย่างนี้อยู่กับผมไม่ได้ ท่านจึงลาไปในการปฏิบัติท่านสอนไม่ให้ข้ามการที่รัติยานารีลดหย่อนให้ตัวเองกินเหล้าได้ถ้าไม่เมานั้นไม่ถูกท่านห้ามกินเหล้าท่านไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เมาแต่ห้ามว่าไม่ให้กิน เมื่อเรากินโดยไม่ให้เหมาเราก็จะโกหกเล็กๆน้อยๆโดยคิดว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็จะฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆคือไม่ได้ตายทั้งฝูงแล้วก็จะขโมยแบงค์สองใบจากทั้งปึกในกระเป๋าแล้วยังทิ้งกระเป๋าไว้ให้ด้วยนะนับว่าเป็นความดีมีบุญคุณให้ทวงอะไรทํานองเนี้ยไปเรื่อยๆจนศีลกลอนแบบนี้ก็ไม่ได้เริ่มเดินจากพระบร ม, มรูปทรงม้าไปสนามหลวง แค่เวียนอยู่แถวประตูเขาดินเลี้ยงกล้วยช้างไปก่อนละกันก็จบตอนนี้นะคะลูกประกอบก็เป็นเด็กหญิงขวัญ น, นะคะพยายามเอากล้วยเครื่อนึงไปเลี้ยงช้างก็กำลังถูกงวงช้างดูดเอาหางเปียเข้าไปอยู่นะคะ ว่างรุ่งสวยกำลังหัดปฏิบัติธรรมตุ้ยนุ้ยแนะนำว่าให้คอยมีสติรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันขณะเช่นกำลังยืนเดินนั่งนอนกำลังกินข้าวกำลังเขียนหนังสือแต่ห้ามกำลังเล่นไพ่นะตุ้ยนุ้ยว่า วันหนึ่งลุงสวยเดินนั่งหงิกมาหาตู้นุยพร้อมกับกระแทกตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิดเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวไขมันหลดุดยิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วยผอมจะตายตู้นุ้ยว่าลุงสวยค้อนประหลับประเหลือตู้นุ้ยหัวละเป็นอะไรเจ็ดสีตู้นุ้ยว่าลุงสวยอยะเรียกเจ็ดสีจกระชื่อหมาลุงสวยสะบัดเสียง ก็กำลังคำลาเหมือนหมาตู้นุ้ยยังไม่หยุดว่ามอเตอร์ไซค์บ้าอยู่ดีๆก็ขี่ปาดหน้าชิดขนาดแทบสีรถถลอกเลยรู้ไหมก่ยังมาขี่อยู่ข้างหน้าใกล้ๆอีกจะไปก็ไม่ไปมันแกล้งเรานม่ตกใจหัวแทบชิ่มดีไม่ชนมันตายมาโหมากเลยเนี่ยด่าไปแล้วยังไม่หายมาโหเลยเนี่ยตู้นุ้ยหัวละจิตไม่ว่าง ลุมสวยนั่งหงิกกว่าเดิมเมื่อเพื่อนไม่ช่วยมโหก็พยายามว่างแล้วอะ่ะขับรถไปกันึกอยู่ว่าจิตว่างนะจิตว่างนะอย่าคิดอะไรอ๋อนั่นมันคนปัญญาอ่อนกำลังขับรถไม่ใช่จิตว่างตุยนุ้ยว่าลุมสวยหันมาสนใจธรรมะช่างเถอะพวกมอเตอร์ไซค์ไปไหนไหนก็ด่าไปแล้วตุยนุ้ยจึงคุยให้ฟังจิตเราอะมันจะมีกิเลสเข้ามาติดพันอยู่เสมอเสมอตลอดเวลา เพราะว่ามันสวยอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเราขีเหรเข้ามาก็ทำให้เราเดี๋ยวก็อยากโน่อนอยากนี่เดี๋ยวก็โ ก, กรธโน่นเกลียดนี่โลกโลกรธหลงเข้ามา น, นัวเนียใจอยู่ทุกวินาทีแหละแต่เมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีสติคอยกวาดมันออกไปให้จิตมันจะได้ว่างเหมือนมีขี้ฝุ่นมนอยู่ในบ้านนะเราก็คอยกวาดทุกวนันแต่ฝุ่นที่เข้ามาในใจก็ต้องคอยกวาดทุกนาที เราเองนั่นแหละที่จะเป็นคนคอยกวาดให้จิตมันว่างจากฝุ่นคือว่างจากกิเลสที่เข้ามาในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ว่างๆเว่อเว่อไม่รู้เรื่องรู้ราวขับรถไปก็ว่างๆว่างๆไม่รู้ขับไปไหนไม่ระวังอะไรไอ้นั่นมันว่างเปล่าไม่ใช่จิตว่างแต่เป็นจิตว่างเปล่าก็คือคนปัญญาอ่อนไม่มีอะไรในสมองว่างเปล่าโบเบตอนนี้ก็มีลูกขั้นนะคะท่านผู้ฟัง เป็นรูปดาวหัวโนเห็นดาวเล็กๆดาวเห็นดาว <c oughs> จิตจะว่างได้ต้องมีสติรู้ให้ทันอ๋อมีฝุ่นกิเลสเข้ามาแล้วก็ต้องคอยกวาดออกเช็ดทูให้สะอาดให้ว่างจากฝุ่นว่างจากกิเลสในเรื่องนั้นๆอย่างเมื่อกี้เจ็ดสีโกรธมอเตอร์ไซค์ จิตก็มีกิเลสคือโกรธก็มาเกาะว่าต้องมีสติทันที่จะไม่โกรธเมื่อโกรธทําไงก็เมตตามันมองมันอย่างสงสารว่าจอมอเตอร์ไซค์เอ้ยแกสร้างกรรมใหม่ให้กับตัวเองอีกแล้วแกจะได้ไปรับกรรมชาติไหนเนี่ยใช้นะโหสิให้แกเพราะไม่อยากจะตามไปเจอแกอีกอย่ามาแกล้งให้ฉันโกรธทําให้ฉันต้องร้อนใจทุกใจไม่สําเร็จหรอกฉันไม่หลงกลงง่ายๆหรอก คิดได้ดังนั้นแล้วก็จะขำหายโกรธเจ็ดสีก็จะกลายร่างเป็นรุ้งสวยตามเดิมรุ้งสวยนั่งฟังตาแป๊วแล้วก็ยิ้มหวานให้ตุ้ยนุย้ยเมื่อบอกว่านี่ฉันกําลังมีเรื่องจิตไม่ว่างมาคาใจมาสามวันแล้วยังวางมันไม่ลงเลยฉันไปเจอแหวนวงนึงนะสวยสวยสวยมากตุ้ยนุย้ยหัวเราะ ลุงสวยมัวบรรยายเรื่องจิตไม่ว่างจากแหวนสวยอีกยาวเลยลืมติดกันเทศทำให้ตุ้ยนุ้ยอดกินไอศครีมของโปรดกระจบตอนนี้นะคะการ์ตูนตอนจบก็คือเด็กหญิงขวัญก็ขับรถนะคะกระโจนข้ามมอเตอร์ไซค์ บทต่อไปนะคะชื่อว่าน้ำตางานศพมีรูปประกอบเป็นรูปดาวน้อยๆกำลังงอแขนป้น้ำตาอยู่น่าสงสารสงสารบุญโขเป็นคนยากจนเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองแต่ก็พอมีไรายได้เลี้ยงตัวไปวันๆไม่มีเหลือเก็บวันหนึ่งเขาได้ข่าวการเสียชีวิตของพ่อจึงเดินทางกลับบ้าน เพื่อมาทําศพให้พ่อตามประเพณีวันที่เข้ามาถึงก็พบว่ า, วาทุกอย่างได้ถูกจัดการให้เรียบร้อยแล้วคนที่มาช่วยงานและมาช่วยเฝ้าศพตอนกลางคืนโดยมีเหล้ามากมายเป็นตัวยืนรงท่านไ้จ่ายในงานทั้งหมดทําให้เขาเป็นหนี้หนึ่งแสนบาททันทีที่เข้าก้าวถึงหัวบันไดบ้านเสียงพระเทพบางสกุลเป็นภาษาบาลีบุญโขฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านเทศอะไร มีคนบอกว่าพระเทศว่าการสงบสังขารเสียได้เป็นสุขทําให้บุญโขแปลต่อเองว่าตายแล้วจึงจะเป็นสุขได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นหนี้อย่างเขาในเวลานี้ความจริงบทเทศบางสกุลได้กล่าวว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปการสงบสังขารเสียได้เป็นสุข ความหมายที่แท้จริงของคําว่าสังขารในบทนี้ไม่ใช่สังขารที่แปลว่าร่างกายของคนเราที่พูดกันอยู่บ่อยๆแต่ท่านหมายถึงสังขารที่แปลว่าการปรุงแต่งดังนั้นจึงแปลว่าถ้าเราหยุดปรุงแต่งจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเสียได้ก็จะเป็นสุขการสงบร่างกายคือตายนั้นไม่เป็นสุข เพราะว่าถ้าถือตามหลักพุทธศาสนายังมีการยืนไหว้ตายเกิดยังจะต้องเดินทางต่อไปบวงเวียนในสังสารวัตรซึ่งเป็นทุกงานพิธีศพที่บุญโขคิดว่าเป็นพิธีทางศาสนาและต้องเสียเงินมากมายนั้นความจริงในส่วนของศาสนา ก, ก็คือการที่พระสวดบางสุกุลเพื่อเตือนสติให้คนที่มาฟังสวดไม่ได้ฟังสวดให้คนตายเพราะไม่ได้ยินไปแล้วแต่เนื่องจากคนมางานก็ไม่มีใครฟัง ในฟังภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจจึงเสียประโยชน์ไปส่วนตอนลดน้ำศพท่านก็ให้ทำเพื่อเตือนให้คนเป็นเห็นกับตาตัวเองว่าเมื่อตายไปแล้วแม้แต่น้ำที่ลดบนมือก็ยังเอาไปไม่ได้ไหลทิ้งลงจึงเตือนให้เราอย่ายึดมากหลงโลภไปมากแต่เราก็คิดว่าไปลดน้ำให้คนตายเป็นการอำลาหรือขอเข้ามา ทำให้เสียประโยชน์คือไม่ได้เตือนสติไปอีกอื่นๆนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพวงหลีดไปจนกระทั่งถึงเลี้ยงเล่ายาปลาปิ้งจนเป็นหนี้เป็นแสนนั้นะไม่ใช่ส่วนของศาสนาแต่เป็นประเพณีบ้างเป็นส่วนที่เติมไปเองตามความต้องการของผู้คนบ้างพอไม่เลี้ยงก็ถูกหาว่า ง, งกขี้เหนียวแต่พอจัดไปเรื่อยๆก็ประสบปัญหาอย่างบุญโขแบบที่ชาวบ้านเรียกว่าคนตายขายคนเป็น ท่านพุทธทาสได้สั่งไว้ในพินัยกรรมของท่านให้เผาศพของท่านในป่าไม่มีการสร้างเมนโดยเฉพาะให้กับท่านมีเพียงถึงผ้าขาวผืนเดียวแทนหลังคาเพราะท่านต้องการจะสอนคนด้วยงานศพของท่านว่าไม่ต้องมีอะไรมากเป็นสัจธรรมที่แท้จริงเรียบง่ายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้แสดงธรรมณวัดป่าน้องผืออำเภอพาณานิคมจังหวัดสกล น, นครเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ในขณะที่มีชีวิตนั้นทำบุญดีมากการทำศพถึงผู้ตายนั้นไม่ได้เป็นส่วนมากแต่ทำตามประเพณีเท่านั้นพระอาหารหันนิพพานภูเขาถ้มต่างๆใครทำศพให้ท่านเล่าท่านทำไมยังถึงนิพพานหลวงปู่ดูนัตุโลท่านตอบโยมคนหนึ่งที่มาเรียนถามท่านว่า ที่จริงแล้วเราควรจะไว้ทุกขี่วันกันแน่เพราะเห็นธรรมเนียมเนี่ยออกจะต่างกันบางคนก็ถือเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันหลวงปู่ตอบว่าทุกต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วก็ให้ละเสียไปไว้มันทำไมงานศพนั้นเรียบง่ายได้ถ้าทุกคนมางานศพด้วยใจผูกพันกับผู้ตายมาไว้อะไร มาแสดงความลึกถึงเป็นครั้งสุดท้ายไม่เรียกร้องการต้อนรับมากมายจากเจ้าภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาศึกษาธรรมะด้วยเห็นของจริงคือการตายที่เป็นสัจธรรมอยู่เบื้องหน้าถ้าเป็นได้ดังนี้คงไม่ต้องมีใครหนีหนี้ไปกลางดึกอย่างบุญโขก็จบตอนนี้ะ น, นคะคะรูปประกอบตอนจบก็เด็กหญิงขวันก็กลังวิ่งหนีหนี้ไปกลางด็กนะคะ น้ำใจกับน้ำในใจ พ, นพรพรมเป็นคนเมตตาการุณาเห็นพิจิตรลำบากก็อยากช่วยเหลือเธอช่วยค้ำประกันลดให้ช่วยขายที่ดินให้และยังให้ยืมเงินสดอีกเหตุการณ์ผ่านไปจนพิจิตพ้นจากวิกฤตไปได้วันหนึ่ง พ, พรพรม ก็ได้รับจดหมายจากบริษัทรถให้ชำระค่ารถแทนในฐานะผู้ค้ำประกั น, พ, นพรพลำไม่ได้พบกับพิจริศแต่มีญาติมาเล่าให้ฟังว่าพิจริตบ่นว่าราวี่เตอขายที่ดินให้นั้นน่ะราคาถูกเกินไปเขาควรจะได้เงินมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นเขาคงผ่อนรถเองได้หรอกพรพรมคุยให้วุ่นหวานฟัง วุ่นวันให้อธิบายว่าทำคุณคนไม่ขึ้นที่ดินขายไปแล้วตอนหลังจะมาพูดว่าขายถูกเท่าไหร่ก็พูดได้ถ้าขายได้แพงมากตอนนั้นทำไมไม่ขายซะเองอ่ะแต่เราไม่มีคนซื้อน่ะสิเรื่องถึงได้มาถึงเรานี่ดีนะที่เธอยังไม่ได้ซื้อเอาไว้เองอ่ะไม่งั้นอ่ะเขาต้องหาว่าเธอโกงเขาแน่เลยความนเก็บเกี่ยวประสบะการณ์แบบนี้ได้บ่อย เหมือนเดินผ่านหญ้าเจ้าชู้เลยแต่กระนั้นไม่รู้ว่าใครมีทุกข์สมองของพรพรมก็แล่นปื๊ดมีแผนการขึ้นมาทันทีว่าอ๋อเรื่องอย่างนี้อย่างเนี้ยต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีความร้อนใจของเธอยังมีมากกว่าเจ้าของเรื่องเขาเองซะด้วยซ้ําเธอบอกวุ้นหวานว่ า, วาก็เรามีนิสัยเป็นนักจัดการไงมันก็เลยชอบคิดน่ะวุ้นหวานค้อนปรหลับปะเหลือก แปลตามศัพท์ว่าเสือกแล้วจะให้ทำไงอ่ะพออันพรมหัวเราะไปก็ถามไปในขณะที่วุ้นหวานทำหน้าเบื่อก็ช่วยได้แต่ช่วยเท่าที่พอสมควรนอกกนั้นก็ต้องอุเบกขาไม่ใช่เอาแต่อุ้มแบกเขาเราแทบตายวันหลังเสร็จงานแล้วยังต้องมากินยำขอบคุณที่เผ็ดจนปวดท้องอีก ทำของวหวานเจาะใจพรอนพลํให้เกือบๆน้าตาพลัมวหวานรีบอุดรูน้ำตาเอานาเอาหน้าเรื่องมันก็แล้วไปแล้วท่านสอนว่าอย่างนี้นะหว้นหวานก็เริ่มเทศไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้าไม่นำเอาความทุกข์ที่ล่วงไปแล้วมาทับถมสมทบเข้าไปอีก หรือให้คิดอยู่เสมอว่าความทุกข์สำหรับวันนี้นะมันก็พอแล้วสำหรับวันนี้ไม่ต้องเอาความทุกข์ของเมื่อวานกับวันนี้มาสมทบเข้าด้วยกันพรพรมชอบทุกข์เพราะความคิดชอบวางแผนงานล่วงหน้าแล้วก็ทุกข์ว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมชอบคิดถึงความหลังที่เจ็บปวดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลย วันๆก็อยู่กับข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างตลอดเวลาทางทั้งที่สวดมนต์อยู่ทุกๆเช้าอะไม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสียงวุ้นหวานเทศต่อไปว่าเรื่องอนาคตอะนะเมื่อวางแผนไว้ดีแล้วอะก็พอแล้วหลังจากนั้นะ่ะก็ทำไปให้ดีที่สุด แต่ถ้ามันจะไม่เป็นไปตามแผนก็แก้ไขไปมีต้องกังวลล่วงหน้าจนปวดท้องมันมาก็รู้เองแหละเรามีพอรอนที่พรำพรำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจะกลัวอะไรต้องดีวันยังข้ามอะ่ะจริงมะถ้าชื่อพรอนสวิตติ ด, ต, ดติดดับดับกว่าไปอย่างส่วนเรื่องอดีตไม่ต้องพูดถึงลืมไปเลยรู้ไหมอะ่ะเออเมื่อกี้ฉันพูดอะไรนะเห็นไหฉันลืมไปแล้ว มากไป พ, พรพ้อมหัวล้อบุนหวานยิ้มแก้มตุยท่านสอนว่าน้ําเยอะแยะนอกเรือไม่ทําให้เรือจมแต่น้ํานิดหน่อยที่อยู่ในเรือทําให้เรือจมได้รู้ไหมใจเรานั่นแหละคือเรือเรื่องอะไรอะไรที่อยู่ในใจเรานั่นแหละที่จะทําให้เราตายเพราะฉะนั้น เราต้องคอยวิตน้ำคือเรื่องบ้องๆทั้งหลายออกไปจากใจเราอยู่เรื่อยๆจึงจะอยู่สบายช่วยคนอื่นก็ช่วยพอประมาณเราชื่อพรพรมไม่ใช่พรพรมเพื่อถ้าจะมีพรหมิหารสี่ก็ต้องมีให้ครบสี่อย่าให้มีแค่สองมีไปให้ถึงข้อสี่เลยคืออุเบกขาด้วยอย่างนี้ถึงจะพอตัวรอดได้ใจดำหรือเปล่าพรพรมกระซิบ วุ้นวานสั่นหัวลงจากธรร ม, มาตเลิกเทศเอวังด้วยคำว่าถึงเวลาอุเบกขาเราก็ต้องถือว่าจัดโลกย่อมมีกรรมเป็นของตนและเป็นไปตามกรรมรู้ไหมเรื่องตอนนี้ก็จบลงนะคะกระตูนก็เป็นเด็กหญิงขวัญก็กำลังเต้นลำสบายใจเพราะอุเบกขาแล้ว เร่งต่อไปนะคะชื่อเรื่องว่ามรดกทางความเชื่อของคุณยายหอมจรุงวันนี้คุณยายหอมจรุงเดินที่อยู่เชี่ยนหมากดอกเด็กมาข้างบ้านหลานชายกับหลานสาว เฉากล้วยกับซ่ารินด้วยความคิดถึงที่ไม่ได้พบกันนานพอพาไปชมห้องนอนคุณยายหอมจรุงยืนดูจากหน้าประตูอย่างเงียบกลิบอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็เดินกลับมาคว้าแก้วน้ำบนโต๊ะขินอึกอึกอึกๆจากนั้นก็ฮิวเชียนหมากดอกแดกดอกแดกจะกลับบ้านอ้าวไหนว่าจะค้างเฉากล้วยว่า ไม่มีที่จะนอนนั่นเป็นคำตอบสุดท้ายของคุณยายหอมจรุงห้องนอนเป็นห้องเล็กดูจากหน้าประตูเห็นเตียงหันหัวไปทิศเหนือปลายขาจะชี้มาทางประตูคนจีนห้ามเพราะถือว่าคนตายเข้าหามเอาขาออกประตูก่อนถ้านอนตะวันออกมันจะขวางประตูฮวงจุ้ยว่าเลือดลมไม่ดี ถ้านอนตะวันตกโบราณห้ามบอกว่าเป็นทิศคนตายนอนหันหัวไปทางทิศใต้ไม่ได้คุณยายถืองั้นคุณยายนอนห้องซ่าริมหลานสาวว่าทางเข้ากอดเอวประจบคุณยายหอมจรุงจึงวางเชี่ยนหมากลงในคืนนั้นทั้งสามคนนั่งคุยกันที่เฉลียงใต้แสงดาวระยิบระยับลมเย็น คุณยายไปไหนลำบากมัวหาทิศนอนซาหริมงเยา้าชาวกล้วยหัวเราะลงนอนหนุนตักคุณยายก็ผู้ใหญ่เขาสอนมาพวกหลานนะ่าไม่เชื่อกันแล้วไม่ใช่ไม่เชื่อค่ะเพียงแต่เราสืบหาเหตุผลกันก่อนถ้าควรเชื่อเราก็ทำตามไม่ได้ลบหลู่อะไรซาหริมพยายามอธิบายเธอเล่าให้คุณยายฟัง ถึงสิ่งที่เธอได้ฟังมาจากการเรียนธรรมะแบบวิเคราะห์ธรรมความจริงชื่อทิศเป็นชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาถ้าเปลี่ยนให้ทิศใต้ชื่อเหนือคุณยายต้องย้ายที่นอนตามอีกอย่างถ้าทิศใต้ไม่ดีเราเรียกมันว่าเหนือมันจะกลายเป็นดีก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรดีชื่ออะไรมันก็ดีถ้ามันไม่ดีชื่ออะไรมันก็ไม่ดี เหอนดอกอุตพิตถ้าเรียกมันว่าดอกกุหลาบมันก็ยังไม่หอมอยู่ดีอ่ะคุณยายขากอของเรากลมผ้าที่แต่ไม่เคยตกไปไหนที่เราเห็นฟ้าแดงๆตอนผ้าทิศ ต, ตกคนอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นฟ้าแดงๆเหมือนกันแต่เป็นผ้าทิศขึ้นความจริงซาลิมว่าทิศตะวันตกน่ารักนะคะมันทำให้เราส่งผ้าทิศไปให้คนฝั่งโ น, น้นได้มีแสงสว่างบ้าง เฉากล้วยเสริมว่ามันทำให้เราได้นอนด้วยเฉากล้วยไม่ชอบนอนสว่างมันแสบตาคุณยายหอมจรุงหัวเราะเกาหลังให้หลานชายอย่างน่ารักคุณยายา่าอาจารย์ของซาริมเล่าให้ฟังนะคะภาษารีบุตรเวลาท่านทุดงไปเมืองไหนท่านจะนอนหันหัวไปทางทิศ ท, ที่พระอัสสชิอาจารย์ของท่านอยู่เป็นการแสดงความเคารพค่ะ ชาวกล้วยซึ่งเป็นสถาปนิกเล่าในส่วนของตนเองว่าทางด้านของผมการสร้างบ้านเราดูทิศที่ลมจะผ่านให้บ้านเย็นเราไม่ค่อยให้ห้องนอนอยู่ทางตะวันตกก็เพราะว่ามันอมความร้อนไว้แต่ตอนบ่ายอมแดดไว้ทำให้ห้องร้อนถ้าเลี่ยงได้เราจึงไม่นอนทางนั้นจะได้สบายแล้วชาวกล้วยก็ร้องเพลงสบายสบายของเบิร์งชัยแล้วก็นอนดิ้นไปด้วย คุณยายหอมจรุงหัวเราะชอบใจเอาละเอาละยายจะพยายามเข้าใจความเห็นของหลานๆนะแต่ก็ให้คนแก่นะคิดก่อนซาหลิมเสริมว่าพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกท่านยังดังทั่วประเทศเลยค่ะคุณยายขาใครๆก็ไปไหว้ท่านระจบตอนนี้นะคะ การ์ตูนก็เป็นรูปลูกโลกนะคะมีพระจันทร์อยู่ข้างหนึ่งพระอาทิตย์อยู่ข้างหนึ่งแล้วก็มีเด็กสองคนนะคะคนนึงก็เพิ่งตื่นตอนเช้าส่วนอีกคนนึงอยู่ซี่โลกตรงกันข้ามก็กําลังหลับอยู่นะคะเพราะว่าโลกเหล่านี้ด้านนึ่งก็เป็นสว่างอีกด้านหนึ่งก็มืดเลยนะคะคนนึงก็กําลังนอนคนหนึ่งก็กําลังตื่นนะคะ บทต่อไปนะคะชื่อว่าการคิดว่าไม่มีเงินจะทำบุญดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่จะคิดว่าเมื่อก้าวเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องพกเงินมาด้วยเมื่อบางคนไม่มีเงินก็เลยไม่มาเป็นเรื่องเสียโอกาสและเข้าใจผิดอย่างยิ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่ได้เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้อะไรใส่ตัวจันฉายเป็นครูมัธยมโรงเรียนรัฐบาลรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตครูที่ดูเหมือนจะผ่านไปวันๆอย่างใดๆเงินเดือนก็น้อยลาออกก็ไม่รู้จะไปทำอะไรวันหนึ่งมีนักเล่านิทานชื่อทศพร เดินทางมาที่โรงเรียนเข้ามาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสมวันมีการเล่านิทานให้เด็กฟังมีละครหุ่นมือและสอนเด็กๆให้วาดรูปตามนิทานชั้นฉายตามดูกิจกรรมของทศพรตลอดเวลาเธอเห็นเด็กๆมีความสุขมากเขาบอกให้ทำอะไรเด็กก็ทำตามอย่างว่าง่ายไม่เหมือนเวลาที่เธอเข้าสอนเลยที่เด็กจะว่ายากสอนยากแล้วก็มีแววตาที่เบื่อนหน่าย บางคนก็ถึงกับหลับฟุบลงกับโต๊ะตัวของทศพรเองจันฉายก็เกือบจะเรียกเขาว่ามอมแมมแต่ดูเขามีชีวิตชีวามากเขาเดินทางไปเล่านิทานตามโรงเรียนต่างๆโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรนอกจากอาหารที่โรงเรียนจัดให้เขาเล่าว่าเมื่อเขาไปตามหมู่บ้านก็นอนที่บ้านของชาวบ้านแถวโรงเรียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาเล่านิทานในโรงเรียนในเมืองหลวง เขามีธุระอื่นที่จะต้องมาทําด้วยจันฉายมีโอกาสคุยกับทศพรในตอนเย็นเธอเล่าให้เขาฟังถึงความรู้สึกของเธอทศพรจึงเล่าให้ฟังว่านักเรียนจะมีความสุขได้ครูต้องมีความสุขก่อนในเมื่อคุณยังไม่อยากสอนแล้วจะให้เด็กอยากเรียนได้ยังไงนั่นเป็นสิ่งที่จันฉายไม่เคยคิดมาก่อนเธอถามว่าเขามีความสุขในการสอนได้อย่างไร ทศพรตอบอย่างอารมณ์ดีผมใช้ธรรมะจันฉายรู้สึกแปลกใจโดยทิดเสมอว่าถ้าจะใช้ศาสนาในชีวิตก็คือการทำบุญแต่เธอไม่มีเงินพอที่จะทำบุญบ่อยๆตอนนี้มีรูปการ์ตูนท่านนะคะท่านผู้ฟังเป็นรูปพระจันทร์กำลังควักไส้กระเป๋าออกมาเพื่อจะแสดงว่าไม่มีเงินเนี่ยนะคะหน้าตาเศร้าสอยเชีวยว ธรรมะไม่ใช่การทำบุญอย่างเดียวธรรมะสอนให้ผมสันโดษพอใจในชีวิตของตัวเองสอนให้มีอุตสาหะและพยายามที่จะทำให้เด็กมีความสุขสอนให้รักษาศีลเพื่อความสงบในชีวิตจะได้ไม่มีเรื่องมีราวกับใครสอนให้มีปัญญาคือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง สอนให้มีผมมิหาร4คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแก่ทุกๆคนที่ผมได้พบไม่ว่าจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยนี่เรียกว่าผมใช้ธรรมะทั้งวันโดยที่ผมไม่ต้องใช้เงินเลยครูก็ทำได้เหมือนผมนะครับจันฉายขอให้เขาแนะนำแก่เธอผมว่าครูก็ทำบุญอยู่แล้วทุกวันนะก็คือให้ปัญญาไงล่ะ ให้ความรู้แก่เด็กๆทำให้เด็กฉลาดนี่ก็เป็นการทำบุญอยู่แล้วถ้าครูมองอย่างนี้เดี๋ยวครูจะอิ่มใจว่าตัวเองมีประโยชน์แก่สังคมผลิต เ, เด็กที่มีความรู้แต่การสอนเด็กก็ต้องใช้เทคนิคในการสอนเช่นยกตัวอย่างสนุกสนุกหรือหาภาพมาให้ดูถ้าครูมีใจกับการสอนวิธีการมันจะตามมาเองแหละครับนอกจากนี้มองให้ลึกๆ ล, ลงไปเด็กๆมีปัญหาครูก็เป็นที่ปรึกษาได้ เรามีเมตตาเก่เด็กช่วยจิตใจเด็กยิ่งเด็กมีปัญหาครอบครัวแตกแยกเนี่ยมีความกดดันเมื่อมีครูที่เมตตาเขาห่วงใ ย, ยเขาทำให้เขารู้สึกว่ายังน้อยเขาก็มีครูครูอาจจะดึงเขาไว้จากทางที่ผิดก็ได้อันนี้เป็นบุญมหาศาลนะครับโรงเรียนมีคนเยอะมีแบบฝึกหัดให้เรามากมายเช่นเราจะฝึกที่จะอดทนที่จะไม่โกรธครูรู้ไมครับว่า การไม่โกรธเป็นการทำบุญให้ตัวเองอย่างหนึง่งเพราะสิ่งที่เราจะต้องทำในพุทธศาสนาก็คือลดและเลิกความโลภโกรธหลงในโรงเรียนมีบุญมากมายวางรออยู่ครูเลือกเก็บเอาเธอครับและครูจะมีความสุขกับธรรมะในใจเป็นครั้งแรกที่จันฉายรู้สึกว่าเธออยู่ในสถานที่ดี และน่าจะมีชีวิตที่มีความหมายได้มากกว่าที่เคยมาเธอขอบคุณนักเล่านิทานที่เดินทางมาและนำสิ่งดีๆมามอบให้เก่ดเด็กๆและตัวเธอเองจบตอนนี้นะคะลูกประกอบก็เป็นลูกพระจันทร์ยิ้มนะคะสรุปก็อยู่ตรงนี้นะคะ ฉันจะยุติการยกตัวอย่างปัญหามุมมองและการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันลงเพียงเท่านี้หากท่านผู้อ่านมีความตั้งใจที่จะเติมธรรมะลงในชีวิตต่อไปก็จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเมื่อศึกษาข้อธรรมคำสอนแล้วเพราะบุคคลย่อมมีความคิดหลากหลายตามแต่เหตุปัจจัยของคนนั้นส่งมาการจะใช้ธรรมะจึงเป็นเรื่องส่วนบุคคลว่าใครจะใช้อย่างไรมีคาสอนว่า การเชื่ออะไรไปทั้งหมดเป็นเรื่องงมงายแต่การไม่เชื่ออะไรไปทั้งหมดเลยก็เป็นเรื่องงมงายเหมือนกันฉะนั้นท่านสอนให้เราพิจารณาว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งใดเมื่อเราศึกษาดีแล้วก็ย่อมจะเลือกถูกได้เองและเมื่อนั้นธรรมะก็จะมีประโยชน์แก่ชีวิตจนถึงที่สุดได้ก็จบบทนี้นะคะ ตอนจบก็เป็นรูปเด็กหญิงขวก็ยืนยิ้มสบายใจ